เห็นจิตของเราที่มันเคยเป็นมาก่อนๆมามันมีอะไรบ้างก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็ปรากฏเมือาเห็นปูเห็นปลาเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นไม้เห็นใบไม้เห็นกบเห็นเขียดอยู่ในสระเมื่อจิตใจเราลุ่มสะอาดมันจิตเหมือนน้ําที่มันตกตะกอนล้วก็เห็นอันนี้หมายถึงตัวนี้ยานอันนี้ตัวนี้มีทุกคน ตัวคิดปรุงแต่งตัวคิดที่มันหมุนโมยเศ้ามองหรือตัวคิดที่มันไร้สาระมันก็จะหมดไปเรื่อยๆจบตะกอนไปเรื่อยๆถ้าเราอยากต้องการรู้เรื่องนี้นะก็ต้องทําอย่างนี้แหล ะ, จะเจริญความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นให้เห็นวันใดวันหนึ่งเอามาก็เคยเป็นมาแล้วทุกคนมันจะเป็นแต่ส่วนจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เรา ทำเนี่ยเราทำถูกไหมถ้าทำไม่ถูกมันเลยจะไม่มาทางนี้แหละไปอีกทางอันที่สองคิดว่าจูดตรวปฏตยานเมื่อเราดูกายดูดูกายเราเป็นดูใจเราเป็นเราจะเห็นกายมันหนักอย่างไรมันเบาอย่างไรมัน สบายอย่างไรไม่สบายอย่างไรเห็นเกิดปรากฏทั้งส่วนหนักส่วนเบาเห็นอาการต่างๆของกายที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเดี๋ยวความสบายเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่เดี๋ยวัก็ดับไปเดี๋ยวความไม่สบายเกิดขึ้นเดี๋ยวมันตั้งอยู่มันก็ดับไปเดี๋ยวความห่วงเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปอย่างเงี้ยสลับกันในวันๆเดี๋ยวความเบื่อเกิดขึ้นนก็ตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีอะไรคงที่ดับไปหมด สิ่งที่รัางวันที่ผ่านมามีอาการหงงเงาห้องนอนมีอาการเบื่อเซ็งมีการปวดเมือเ่อยเด็ดเหนื่อเมื่อล้ามันก็ดับไปเนี่ยถ้าเราคุ้นต่อการเกิดดับทางกายอย่างนี้ก่อนต่อไปแล้วก็ดูลึกลงไปถึงอาการเกิดดับทางจิตพอมาเห็นอาการเกิดดับทางจิตนี่เองท่านเรียกว่าจุตูปปัฏฐานเห็นการดับเราก็เห็นการเกิดขึ้นของความคิดและความไม่คิดเห็นความเกิดขึ้นของการ อยากหรือไม่อยากต่างๆมันมีที่มาที่ไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่มันจะกระทบมันจิติและอุบัติเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปนที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันเกิดขึ้นมามีการกระทบมันก็เกิดขึ้นเมื่อกระทบเสร็จแล้วก็ดับกันธพาลไปก็ดับเหตุการณ์ก็ดับไปแต่ด้วยการมีอยู่ของตัววิชาที่เราไม่รู้จัก เราก็เลยไปสำคัญมันหมายสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีตัวตนเมื่อครั้งใบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเสียงเนี่ยเสียงก็ยังไม่เกิดเพราะไม่มีการกระทบและยังไม่มีการดับเพราะมันไม่มีการเกิดก็ไม่มีการดับแต่พอการเกิดขึ้นปั๊บนี่มันก็การกระทบจบไปแล้วเนี่ยแต่การเสียงที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังไม่ดับเพราะมันมีตัวแต่ถ้า ตีตัวนี้ป๊อเนี่ยตีอยู่ก็จบมันไม่ดังตีตัวนี้ป๊อก็จบตีตัวนี้ป๊อก็จบแต่ตัวนี้ป๊อทําันไม่จบนี่คือความต่างความคิดบางคนคิดมแล้วก็จบความคิดบางเรื่องคิดบางเรื่องคิด完了ไม่จบเพราะมีตัวฐานะประธานตัวที่มันมีความละเอียดของฐานะประธานในตัวมันเนีพอเกิดขึ้นมันก็จบช้านะเขาไม่เห็นอย่างนี้ป๊ออ๋อก็รู้วิธีการนะที่จะมาให้ความ คิดที่เป็นตันหาประธานคือจะทำอย่างไรนะรู้จักวิธีการการรู้วิธีเอาความคิดรู้จักวิธีเอาความอยากรู้จักวิธีเอาความยึดมั่นถือมั่นออกจียจิตก็เรรู้จักวิธีอาศวัคคย า, ยานรู้จักกาจัดอาศวะนั่นเองอซึ่งทุกคนก็มีอยู่คนก็ทําได้ที่เราทําอยู่นะเอาคนความคิดมาความอยากมารู้จักวิธีสลัดทิ้งไปทําบ่อยๆ เนี่ยทำบ่อยๆมันก็เป็นน่ยในที่สุดจิตของเราที่มันคุ้นต่อการสลัดความคิดสลัดความอยากสลัดความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงจิตมันก็กลับมาสะอาดเหมือนพ่อเรามีตัวรู้ตรงนี้ตัวรู้นิว่าญาณตัวเรียกว่าเจริญในเจริญญาณเจริญตัวรู้เรียปัญญาญาณพอเจริญบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขาก็มีขมขมเข้ามาเข้ามาเข้าแต่ตัวญาณตัวรู้ที่นี่มันเกิดจากการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นญาณที่เข้มแข็งแรงชัดคมชัดลึกเหมือน แต่ยาที่เกิดจากตัวรู้วิธีการอื่นๆเราก็เคยทดลองกันมาแล้วเนี่ยมันไม่เคยชัดเพราะว่ามันอาจจะอ่อนไปเบาไปมันสู้เกียรติของเราไม่ได้เพราะเกียรติของเรามันแรงกว่าความคิดและอารมณ์เขามันแรงกว่าแต่เวลามาใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันแรงต่อแรงเหมือนกันเนี่ยมันเอากันอยู่นะสติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนี่คือสติที่มันก็แรงชัดความคิดและอารมณ์ที่มากระทบจิตเรามันก็แรงชัดเหมือนกัน พอกระแทกกันเข้ามันสู้ตัวสติไม่ได้เหมือนความมืดกับแสงสว่างความมืดก็มืดจัดแสงสว่างส่องจัดมันจัดเหมือนกันพอมากระทบกันพร้อมนี่ความมืดก็เด่นเลยมันสู้แสงสว่างไม่ได้นีถ้าความรู้สึกตัวชัดความคิดก็ชัดพอกระทบกันมันสู้ความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะมันแพ้กันโดยธรรมชาติฉั้นใดก็ฉันนั้น นั่นเราจะเห็นว่านี่คือเป็นกฎที่เป็นสัจธรรมที่มันมีอยู่แล้วแต่เราจะต้องบำเพ็ญและต้องทําถ้าไม่ทํามันไม่เกิดเท่านั้นเองพอเพราะฉะนั้นเชนยืนยันว่าทำอยานี้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นไปน อ, ยอย่างอื่นแต่ต้องทําให้มันถูกอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉในคําสอนพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่เช่นจะเน้นสัมมาทิฏฐิมักทั้งแปดเป็นสัมมาหมดเน้นความถูกต้อง มันได้บอกว่ามากว่าน้อยหรือเร็วหรือช้าบอกว่าต้องถูกต้องเท่านั้นทามันไม่ถูกต้องแล้วจะมากจะน้อยจะเร็วหรือช้ามันก็ไปไม่ได้แต่ถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะเร็วจะช้าจะมากจะน้อยไปเข้าสัมผัสเข้าถึงได้เท่านั้นอานั้นอันนี้คือตัวสัจธรรมที่หลวพ่อเทียนท่าได้เน้นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองที่ท่านบอกว่าวกเข้ามาใกล้ๆนะ่ ว่าทุกคนมีลูกมีนามทัานว่าพระพุทธเจ้าก็ามีลูกมีนามมีกายมีใจเหมือนกับเราท่านไม่ใช่เป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์เหมือนเทพของพระเจ้าที่ในศาสนาอื่นเขามีกันแต่พระพุทธเจ้าพระเจ้าชายชษษาเศรษฐาก็เป็นคนอย่างเรานี่แหละแต่ท่านมารู้สมัยเราก็ให้สวนญานามท่านว่าพุท ธ, ธพอมาอยู่ในเมืองไทยมันมีลัทธิมีประเพณีเป็นเจ้าก็เติมเจ้าให้พระพุทธเจ้าเข้าไปด้วย เขาเป็นพผู้เจ้าเอาเจ้าไปบวกเพื่อให้เพื่อให้เจ้าดีอยู่คงอยู่เนะจอคือเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละศาสนาของพุทธทีนี้พาวารู้ตื่นเบิกบานมีมีทุกคนก็มีเพียงแต่ว่ามันตื่นน้อยมันรู้น้อยอยู่มันเบิกบานน้อยอยู่ก็เราก็มาทําให้มันเกิดรู้เยอะขึ้ น, นเสียงใหม่ ใช่มมันรู้น้อยน้อยอยู่เราก็มาทำความเพียรเรื่อยๆทาเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นนะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นสัญธรรมและในตัวนี้เองท่านบอกว่าในรูปนามเนี่ยมันมีโลกรูปโลกนามโลกเราก็มีท่านก็มีรูปทุกนามทุกก็มีเหมือนกัน มีการเจ็บการป่วยเหมือนกันนะนี่คือศัจธรรมว่าทุกคนมีอยู่ก็ทำให้เราเหลืออย่างประเด็นเดียวคือประเด็นต้องทำให้ถูกต้องเท่านั้นประเด็นอื่นไม่มีอะไรสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่จริงแต่จะรู้จริงหรือไม่จริงที่เราปฏิบัติที่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยทีที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งว่าเราเองจะทาถูกต้องเหมือนอย่างที่ท่านบอกไหมนี่คือคือเราต้องทาหาความถูกต้อง หาสมาความถูกต้องในที่นี้หมายถึงอะไรเช่นเห็นถูกต้องคือเห็นอย่างไรท่านก็พูดถึงเรื่องหลักของสมาธิเห็นถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเห็นการดับทุกเห็นวิธีการดับทุกนี่เห็นถูกต้องแล้วแต่เห็นอย่างอื่นไม่ใช่แต่เห็นร่างกายนี้เป็นสุขนั่นบอกไม่ใช่จะเห็นว่ามันทุกโดยพื้นฐานน่ะ แต่เมื่อไรทุกข์มันลดน้อยลงเราก็เรียกว่ามันสุขแต่ถ้ามันมีของมันโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็เต็มที่ของมันก็ทุกข์ทุกข์ทำให้เราเกิดมาด้วยความทุกข์บางครั้งทุกข์มันลดน้อยลงเราก็ไปสมมติว่ามันสุขก็มันคือทุกข์นั่นแหละแต่เราก็สแสวงหาความสุขแทนที่จะไปสแสวงหาการลดทุกข์แต่เราไปสแสวงหาความสุขมันก็เยยาก แต่เรามาที่นี่มาสวนให้กันลดเหตุของทุกข์รัตัดเหตุของทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะนั้นความสุขกับความทุกข์ไม่ใช่สิ่งตัวเาินทนะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันมากหรือมันน้อยถ้ามันทุกข์มากถ้ามันไม่สบายมากก็เลว่าทุกข์ถ้ามันสบายถ้า ถ้าสบายมากเลยพอสุขทําไม่สบายมากหรือยพอทุกข์กันเองกระต่างก็ไม่สบายเหมือนกันนะอันนี้คือส่วนที่ท่านให้เห็นว่าเห็นถูกต้องเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีความทุกข์อยู่แล้วก็ความทุกข์มันมีที่ไปที่มาหมายความว่ามันมีที่เกิดความทุกข์ทางกายและที่เกิดเขามันก็คือตัวความไม่พอดี กฎของอนิจจังทุกขังหน้าตานะที่มาของมันด้วยอนิจจังทุกขังหน้าตาตอนเช้าเราพูดถึงเรื่องสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาขอให้เกิดตัวนั้นตัวนี้จนไปถึงยาวเยียดไปถึงกามตัิหาเพราะวะ่าฐาวิภวะหาแต่เราไม่ได้ถามกันไม่มีใครถามว่าแล้วอะไรละ่ะที่เป็นตัวก่อให้เกิดความสบายไม่สบายและความรู้สึก ไม่ชัดทั้งสบายไม่สบายอะไรเป็นเหตุอ่อันนี้เราก็ต้องหาเหตุของเหตุนะความสบายความไม่สบายเป็นเหตุแล้วเหตุของความสบายไม่สบายคืออะไรเราก็รู้สอบเลยพิสูจนเลยสมมติเรานั่งนี้ไม่สบายจะทำไงให้มันสบายล่ะพิสูจนได้ใช่ไหมเรานั่งอย่างนี้รู้สึกไม่สบายจะทำไงให้มันสบายก็เปลี่ยนแปลงอ่ะ ถ้าเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ก็เป็นเหตุของความไม่สบายต่อไปอี ก, กเร็วอวิชชาแต่เราเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึกตัวเราก็ได้สบายด้วยก็รู้เหตุของความไม่สบายความไม่สบายก็จะลดได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้เหตุของมันนี่อ น, นั้นมันมาจากการเปลี่ยนนั่นหมายความว่าความสบายหรือไม่สบายเกิดมาจากกฎของอ น, นิจจังทุขัง และอนาตตนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นกฎหลักของรูปจึงเริ่มต้นที่อนิจจังทุกขังนาตาแล้วอะไรเป็นเหตุของอนิจจังทุกขังนาตามันไม่มีละมันสุดที่นั่นมันต้นของต้นเหตุก็คือใจรักนั่นแหละใจรักอนิจจังทุกขังนาฏกรให้เกิดด้วยสุขทุกข์และทุกขก็ม่สุขไปเรื่อยๆเลยเพราะนั้นเหตุของเหตุก็คือตัว ใตรักใจรักนั่นเองเราจึงต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดว่าอ น, นิจจังทุกขังนาตานั่นเองเป็นเหตุของอ น, นิจจังเป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาทุกขังเป็นเหตุให้เกิดความทุกขเวทนาอทุกนาตานั้นเป็นเหตุให้เกิดตัวอทุกขมสุเวทนานั่นเอง น, นี่ถ้าเราแจ้งกฎทั้งสามข้อนี้เสียนะีย เราจะเปลี่ยนสุขเวทนาทุกเวทนาทุกคุณสูเปี่ยนอย่างไรก็เปลี่ยนจากไตรลักให้เป็นไตรสิขาเสียเปลี่ยนอนนี้จังการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสตินั่นแหละก็เรียกว่าเปลี่ยนอนนี้จังให้เป็นเป็นศีลแล้วการเปลี่ยนแปลงความทุกข์อย่างมีสติมันก็กลายเป็นสมาธิและเปลี่ยนทุกข์ก็มา เปลี่ยนัตต์ให้มีสติมันก็กลายเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นกฎใจ ร, รักเนี่ยต้องแก้ไขด้วยกฎของไตรสิกขาเพระพระุทธเจ้าก็เลยตั้งกฎไตรสิกขาขึ้นมาจะ ต, ต้องมาศึกษาอยู่สามเรื่องนี้พ อ, อรู้ว่ามันจะต้องแก้ไขด้วยไตรสิกขาท่า น, นตั้งกฎถึงสิกขาสามขึ้นมาคือศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องสมาธิ ศึกษาเรื่องจิตและศึกษาเรื่องสมาธิศึกษาเรื่องปัญญาก็รู้ว่าสีและสกขาจิตแต่สีขาและปัญญาสีขาถ้าศึกษาสามเรื่องนี้เราก็จะแก้ไขกฎของอนิจจังทุกขังนาตาได้แต่ถ้าไม่ศึกษาสามเรื่องนี้อนิจจังทุกของอังนาจาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของมันต่อไปเราจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติถี่การิการมันก็ยังไปตามกฎของมันอยู่จนเมื่อไหร่ เรามาศึกษาตามกฎิี่พุทยเจ้าทรงแสดงว่าต้องปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาต้องศึกษาในศีลสีส่ปัญญาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนกฎของไตรลักษ์ให้เป็นกฎของไตรสิกขาแล้วก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้ด้ยลักษณะอย่างนี้นะเพระนั้นมาเป็นอย่างนี้เราก็เลยมาทําที่ต้นเหตุของมันมาทําตัว ความรู้สึกตัวในความสบายไม่สบายที่ปรากฏตลอดเวลาเมื่อมาศึกษามาทำความเข้าใจก็เริ่มเป็นศีลเอาสติมาศึกษามาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องกายทำให้เกิดศีลศีลแปลว่าปกติทำามื่ัร่างกายนีปกติไม่สุขมากเกินไปไม่ทุกข์มากเกินไปปกติเพราะฉะนั้นศีลในแง่ของไตรสิขานั้นไม่ได้หมายถึงศีลที่เป็น อาธิโรมจันต์แต่เป็นศีลโภมจันต์เป็นศีลตัวโรมจันต์รรทีเดียวนะคือขานชำระจิตแต่ น, น, นี่คือหลักที่งพ่อเทียนท่านกล่าวมากล่าวโดยสรุปออกมาลักษณะอย่างนี้นะก็เห็นว่าเป็นกฎของสศจธรรมแต่เราไปทำแล้ววันนี้เรารู้สึกได้ถึงความโปรติของร่างกายเป็นอย่างไร ร่ า, างกายเริ่มปกติขึ้นไม่งงงไม่ง่ว ง, ไ ม, au, ไ, มงไม่เบาไม่เหงาไม่เบื่อไม่ซิงมันเริ่มปกติขึ้นเรื่อยๆแล้วความปกติก็เริ่มกลับมาความเบาความสบายกายปกตินี่นแสดงว่าเรามีศีลที่เป็นภูมิจันทร์แล้วไม่ใช่ศีลห้าชิ้แปดหรือสองเสรเจ็แต่ศีลคือความปกติของกายนะทีนี้พอข้อที่สองเราศึกษาเรื่องจิตเรื จ, เรจิตแต่สี่ขา ใจของเราวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันคิดผี่เรื่องคิดเป็นกุศลกี่ครั้งอกุศลกี่ครั้งมนมาคิดในโลกอโกุศกี่หลงเป็นอย่างไรอาการของจิตเป็นใหญ่าการเข้าไปศึกษาไปเฝ้าดูจิตลักษณะนี้ทั้งบอกเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิในองค์จใจสิกขานี้ไม่ได้หมายถึงการไปนั่งนิ่งๆให้สงบนะแต่หมายถึงการศึกษาจิต อ, อันนี้ตัวบทมันบอกนะตัวบทว่าจิตแต่สิกขาไง ก็คือได้แก่สมาธิถ้าเราศึกษาเฝ้าดูจิตยอยู่เป็นประจํานั่นหมายความเราได้ทําสมาธิที่เป็นตัวพรหมจรรย์สมาธิเป็นตัวพรหมจรรย์ทีเดียวแต่ถ้าหากเราไปนั่งสงบนิ่งโดยอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็ไม่รู้อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นไม่เรียกเป็นจิตเศรษขาหรือไม่เรียกเป็นสมาธิตามองค์ของมรรคเป็นสมาธิแบบอื่นนะ เพราะนั้นสมาธิแบบพุทธเนี่ยจะเป็นเกิดจากการจิตตสิขามีการเฝ้าดูจิตการศึกษาจิตการตามรู้จิตนั่นเองคือการศึกษาจิตจิตก็จึงเป็นสมาธิทีนี้ปัญญาสิกขาปัญญาสิขาเกิดจากอะไรปัญญาสิขาเนื่องจากว่าจิตของเราเมื่อได้รับการกระทบแล้วมันก็เกิดอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบอารมณ์คิดหรือไม่คิด อารมณ์ที่เป็นอยากหรือไม่อยากมันก็จะออกมาเป็นผลเรียกว่าอารมณ์การเข้าไปจัดการอารมณ์เหล่านี้ให้มันถูกต้องอารมณ์ที่เป็นกุศลเราควรจะจัดการอย่างไรอารมณ์ที่เป็นอกุศลควรจัดการอย่างไรอารมณ์รักอารมณ์ชอบอารมณ์เกีียดควรจัดการการเข้าไปจัดการความรู้และอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างคัดเลือกคัดเลือกได้ ว่าเอออันนี้เป็นกุศลไม่ควรที่จะให้มันอยู่อันนี้เป็นกุศลควรจะดํารงรักษาไวรู้จักเลือกคัดจัดสรรอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราเจริญปัญญาไปศึกษาไปอ่านเรียนรู้ไปจดจำไปพิจารณาศึกษาภายนอกนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญญาในพุทธศาสนา ปัญญาในผู้สรัทธาคือการจัดจัดคัดเลือกสรรสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นหมวดเป็นหมู่ได้นะเลือกใช้ได้อันไหนที่ดีก็เก็บไว้ใช้ได้อันไหนที่ไม่ดีก็สลัดทิ้งได้ความรบกวนลงมันไม่ดีก็สลัดทิ้งมันความคิดที่เกิดจากโรคกูหลงไม่ดีก็สลัดทิ้งไปได้ความคิดที่เกิดจากสติสมธิปัญญาดำรงรักษาใหพัฒนาใหเจริญไปได้ เราก็มาพัฒนาให้เจริญไปได้นี่เรียกว่าปัญญาสิขาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้ชัดว่าอ๋อมันทำได้เราก็จึงมาลงมือทํากันเทียงที่เราเห็ น, นทําไปวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับใจเราก็ต้องไปพิจารณาในส่วนในที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายกุศลฝ่ายก้าวหน้าเราก็สามารถดํารงรักษาไว้ได้ ในส่วนไหนที่มันเป็นฝ่ายอากุศลฝ่ายที่จะบั่นทอนกําลังสติสมาธิปัญญาเราก็สลัดทิ้งได้นี่เรียกว่าพักปฏิบัติโดยอาศัยหลักความเพียรคืออาตาปีความเพียรเพ่งเผาในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเราเพียรจำเนิญในสิ่งที่มันจะทําให้เกิดสีสมธิปัญญามั่นคงขึ้นเพียรทั้งวันนะ เพียนด้วยอำนาจของอะไรอำนาจของสัมปชัญญสติมาอาต่ปีสัมปชัญญสติมาคือเพียนด้วยอำนาจของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความระลึกในใกายในใจของเราอยู่เสมอนี่เรียกว่าความเพียนชอบนะแล้วเพียนเพื่อเอาอะไรออกไปเอาสองสิ่งสองของสองสิ่งออกไปคืออภิชาและโทมนัทคือความพอใจและความไม่พอใจ ที่เราทําเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดความพอใจหรือไม่ต้องการที่ให้เกิดความไม่พอใจแต่ต้องการที่จะเห็นที่ไปที่มาของความพอใจและไม่พอใจเพื่อเราจะไม่ให้มันเกิดเพราะมันเป็นเหตุของทุกเป็นสมูทายของทุกคือความพอใจและความไม่พอใจละที่ความพอใจไม่พอใจแต่ไม่ใช่เวลาความทุกความทุกมัน que, qu ละไม่ได้เพราะความทุกมันเป็นพลังงานชนิดหนึ <chann S 2> ่งนะเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเหมือนไฟ ถ้าหากว่าบอกว่าไฟมันร้อนอันตรายต้องดับให้หมดนี่เราก็ไม่มีไฟใช้แต่แสงสว่างก็มาจากไฟนั่นเองแต่การศึกษาไฟเป็นสิ่งจําเป็นการเหมือนการศึกษาทุกการศึกษาไฟที่มาของไฟจะทําให้ไฟเนี่ยแปลงความร้อนแปลงอันตรายแปลงพลังเข้ามันให้เป็นพลังบวกได้อย่างไรแปลงเป็นแสงสว่างก็ทําให้เราได้ใช้ไฟได้หลากหลายมาก มาหลายรูปแบบแต่ถ้าเราบอกว่าไฟไม่ดีเราดับมันก็ไม่ได้เพราะนั้นเรามาใช้ภาษาที่ไม่ถูกเยอะต้องดับทุกต้องหนีทุกต้องพ้นทุกข์ไใช้ภาษาไม่ถูกแต่พระริจารบอกทุกต้องกำหนดรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้องเข้าใจทุกต้องแก้ไขทุกต้องดัดแปลงทุกต้องอาตามรู้ หาเหตุหาผลหาต้นหาปลายแล้วก็เอาไปดัดแปลงให้มันเป็นปัญญาความรู้ที่ถูกดัดแปลงแก้ไขแล้วมันกลายเป็นปัญญาเหมือนถ้าเราดัดแปลงแก้ไขไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์เหมือนไฟเราดัดแปลงแก้ไขได้แล้วมันเป็นแสงสว่างถ้าเราไม่ดัดแปลงแก้ไขมันไม่ได้มันเป็นความร้อนแรงที่จะช็อตเราตายได้เนี่ยอันเดียวกันเพราะนั้นความทุกข์จึงเป็นพลังงาน แต่ว่าเราก็ต้องจะแปลเปลี่ยนพลังงานนี้ให้เป็นแสงสว่างเราก็ต้องแสวงหาปัญญาแสวงหาวิธีการแสวงหาเทคนิคและหลักการที่จะมาแปลเปลี่ยนความทุกข์นั่นเองเทคนิควิธีการนี้เรียกว่ามักทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นมักเราก็มาเจริญมัก ค, คือเจริญสมถะวิปัสสนานั่นเอง นะสมถ t คือทำให้จิตมันสงบล่มงับจากการปรุงแต่งวิปัสสนาก็คือเห็นเหตุของการปรุงแต่งไปลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามรคนะอันนั้นเองก็ในช่วงที่เราได้ศึกษามาสองวัน น, นี้ก็แต่ละคนมีความตั้งใจสูงนะแล้วประกอบด้วยสปายะสถานที่ก็เ อ, อื้ออำนวย ฝนตกก็ได้ฝนหายก็ดีฝนตกเราก็ทำให้เราได้อยู่กับเป็นที่เป็นทางขึ้นแต่ฝนหายไปล้วทำให้อากาศเราปลอดโปร่งก็ได้ทั้งสองทางถ้าเราตั้งใจแล้วมันก็ได้ทั้งขึ้นทั้งลงไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็เสียหายทั้งขึ้นทั้งลงฝนตกก็มีอุปสรรคเป็นอุปสรรคอีกแบบหนึ่งฝนหายไปก็มีอุปสรรคอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งใจดีแล้ว มันก็เป็นอุปกรณ์ทั้งสองอย่างตกก็ได้แดดก็ได้เราปฏิบัติได้ทั้งสองทางยิ่งฝนตกหรือยิ่งปฏิบัติได้ดีเพราะว่าทำให้เราได้อยู่กับที่ได้มากขึ้นโดยโดยจำยอมแหละทำให้เราได้ทำได้เต็มที่แต่ถ้าหากว่าฝนไม่มีเราอาจจะไปนู่นไปนี่อาจจะอารมณ์เราอาจจะกระจายได้ง่ายก็ได้ อันนี้ก็เป็นผลดีนะฮะอันนั้นในช่วงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราตั้งใจวันต่อไปเราก็จะละเอียดประณีตขึ้นเหมือนกับเร า, าโบราณบ้านนอกเราที่จะตเข้าวเปลือกอตเข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาราตาข้าวสารให้เป็นแป้งตาแป้งให้เป็นขนมไปเรื่อยๆให้ละเอียดประณีตไปเรื่อยๆ ทำให้มันเหมาะแก่การที่จะใช้ทําให้กายใจของเรานี่เหมาะกก่การใช้สอยไม่ร้อนไม่รุนไม่กระวนกระวายใช้แล้วเกิดประโยชน์แต่ที่แล้วมามันใช้แล้วมันทําให้เป็นโทษเกิดความโทษของความโลภบ้างความโกรธบ้างความหล ง, งกันใช้ชีวิตแต่โลภโกโรธหลงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เร็วใช้มันผิดแต่เดี๋ยวนี้เรามาเปลี่ยน หลักการใหม่ใช้ชีวิตแล้วทำให้สติเพิ่มขึ้นสมาธิเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นนี่เรียกว่าใช้อย่างถูกทางเมื่อสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นก็ทำให้ทุกข์มันหายไปแต่เราใช้อย่างผิดทางใช้แล้วโรคกูลงเพิ่มขึ้นก็ทำให้ทุกข์มันเพิ่มขึ้นชีวิตนี้ก็ไม่น่าพิมร์ชีวิตที่ไม่น่าอยู่ชีวิตไม่น่าพัฒนาดังนั้นเองอันนี้คือประโยชน์และอา น, นิสงส์ที่เราได้ มาฝึกฝนปฏิบัตินะ น, นั่นเองตับระ ด, ดับนี้ไปมีเวลาอยู่หน่อยหนึ่งใครมีข้อสงสัยแล้วก็สักถามสนทนากันได้เก็บอารมณ์ว่าไงไม่มีอะไรน่าสงสัยนะจะให้บทเรียนสำหรับพรุ่งนี้ต่อไปวันนี้เราถือว่าจบเรื่องเวทนาได้ทำเรื่องเวทนามาสองสองวันนี่ก็พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของ จิตนะเรื่องของจิตแต่เวทนาที่อยากจะเสริมนิดก็คือว่าถ้าหากว่าใครทําได้ถูกต้องแล้วก็จะทําเรื่องจิตตานุปัสสนาได้ดีเพราะมันจะบดเชื่อมต่อกันเพราะตัว เ, เวทนานั้นเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายกับจิตเข้าเรวยกันถ้ารู้เวทนาไม่ชัดก็จะไปรู้จิตไม่ชัดในขันห้าเนี่ยไม่รูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรูปอสัญญาสังขารวิญญาณเป็นใจเป็นจิตเวทนาเนี่ยไปได้ทั้งกายและไปได้ทั้งใจไปได้ทั้งรูปแล้วไปได้ทั้งนามถ้ามาเกี่ยวข้องด้วยรูปก็เรียก ว, ว่ารูปนามมาเกี่ยวข้องด้วยใจก็เรียก ว, ว่านามรูปอย่างเงี้ยเพราะนั้นเองเราก็คนไหนที่ไม่ชัดเจนเรื่องเวทนาก็ไปทบทนดูอีกทีหนึ่งว่าเวทนา คือความรู้สึกทางกายความรู้สึกสวยอารมณ์ก็เรียกความรู้สึกที่เป็นไปในกายก็เรียกความเที่เป็นไปในใจก็เรียกความรู้สึกสวยอารมณ์เวทนาไปว่าสวยไปว่ากินอารมณ์นะร่างกายเราอ่ารู้สึกเบาก็เลยเราก็กินสุขเรียว่าสุขเวทนาร่างกายเราหนักก็เรากินทุกข์กินไม่สบายก็เลยทุกขเวทนา มันกินมันเป็นนะนั้นมันเหมือนเรากินของ อ, อร่อยเข้าไปก็รู้สึกพอใจไอ้กินของไม่อร่อยเข้าไปรสึกไม่พอใจเมื่อกันร่างกายถ้ามันหนักก็รู้สึกว่าเหมือนกินของไม่อร่อยเข้าไปหนักพอมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนเวทนาเป็นเบาก็เหมือนได้กินของสบายก็เรียกสุขเวทานา เวทนาไปด้วยกินอารมณ์กินทางกายออกมาเป็นสุขทุกข์กินทางใจออกมาเป็นพอใจไม่พอใจนี่ทีนี้ตัวเวทนาเชื่อมไปสู่จิตมีสองลักษณะหนึ่งเชื่อมไปสู่ที่เป็นนามรูปสองเชื่อมไปสู่ตัวเป็นนามล้วนๆถ้าเวทนาเชื่อมไปสู่จิตที่เป็นนามล้ว น, รวนเรียกว่า เป็นปรมัติศถ้าเวทนาเชื่อมไปสู่จิตเป็นนามรูปก็ไปสมมุติถ้ามันเชื่อมไปสู่เป็นนามล้ ว, ลวนๆเป็นความรู้สึกตัวเป็นสติสมาธิปัญญาถ้าเชื่อมไปสู่นามรูปมันกลายเป็นตัวโลกก่งหลงไปโดยปริยายออกมาเป็นนามรูปนะนามรูปหมายความว่าออกมาเป็นความคิดตั้งแองความนามรูปคือรูปที่เกิดจากนาม รูปที่เกิดจากรูปมีสองอย่างและรูปที่เกิดจากนามรูปที่เกิดจากรูปก็คือรูปที่เราจับต้องได้แหละอย่างนี้ก็เกิดจากรูปสร้างขึ้นมาอย่างนี้ก็เกิดจากรูปสร้างก็เรียกว่ารูปรูปนามอันนี้ก็รูปนามมันเป็นรูปแล้วเราไปจับเข้าก็เป็นรูปนามและมือของเราเนี่ยเป็นรูปนามเ็้ว่านรูปเกิดจากรูปถ้ารูปเกิดจากนามเช่น แล้วคิดถึงเรื่องอะไรรูปอันั้นก็เกิดในใจกองลูกคิดถึงพ่อรูปพ่อก็ปรากฏในใจคิดถึงแม่รูปแม่ก็ปรากฏในใจคิดถึงใครก็รูปคนนั้นปรากฏแต่ว่าไม่ใช่รูปจริงๆเป็นรูปของนามเรียกว่านามารูปรูปของนามารูปนี่เองที่เป็นเรียกว่าเป็นสมูทัยมันก็เป็นสมุติ นามรูปนี่เป็นสมมติแต่รูปนามนี่เป็นปรมัตต์นั้นจึงให้รู้รูปนามถ้ารู้นามรูปเป็นสมมติแต่ถ้าเป็นรู้นามเป็นปรมัตต์รู้รูปก็เป็นปรมัตต์รูรูปนามก็ยังเป็นปรมัตต์อยู่คือรู้สภาวะที่มันเป็นเป็นจริงเ่ยแต่ว่าในส่วนที่เป็นนามรูปนี่มัน มันไม่จริงทำมาจิ้วว่าไม่จริงเหมือนกับไฟเนี่ยแสงไฟเนี่ยมันเป็นจริงใช่ไหมเอามายกวัตถุชิน้นนขึ้นนะวัตถุชิน้นนี้ขึ้นปั๊บมีอะไรปรากฏมีเงาเนี่ยเงาปรากฏจากขดอันนี้ของจริงไฟนี่ก็ของจริงรูปนี่ของจริงแต่เงาที่ของจริงไหมที่ปรากฏจากอนี้ยไม่จริงพอยกอันนี้ออก เงาก็หายไปอยน้มาเงาก็มาไอ้ตัวเงาที่เกิดจากรูปสองงานกระทบเกิดจากรูปกับแสงสว่างกระทบกันกลายมาเป็นเงารูปที่สามนเองเขาเรียกนามารูปอ่ารูปตัวนี้เป็นสมมติให้เกิดทุกข์สมมติว่าเป็นเงาตัวนี้คือรูปแสงสว่างคือนามแต่สิ่งที่ปรากฏรูปกับนามที่กระทบกันแล้วมีสิ่งบดบังมันก็เกิดเงา อ่าตัวนี้เป็นเรียกวานามรูปนี่มันจะเชื่อมไปสอดสุจิตต้องเข้าใจนี้ก่อนว่าจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตเกิดขึ้นจากการความรู้สึกตัวเหมือนแสงสว่างแต่เรามีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารคือตัวนี้คือรูปตัวนี้พอมา ก, กระทบเ ข, ข้าเกิดเงานะเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นอ่าเป็นเงาขึ้นมาถ้าเงาถ้ามืด ขึ้นไปก็เป็นตัวบทบางที่เป็นอวิชชาเงามืดถ้าเป็นเงาสว่างหรือที่ไม่ไม่บทบางก็เป็นตัวความคิดและเป็นเจตสิกไปตามลําดับนี่มันก็ดเจตสัมพันธ์กันอย่างนี้นั้นเวลาความคิดเกิดขึ้นเราให้พึงรู้ว่ามีความรู้ไปกระทบกับรูปขึ้นแล้วมันถึงปรากฏความคิดนี่เราจัดการยังไงไม่ให้มันมีเงา ข้อวัตถุนี้ออกคืออย่าสร้างนามวิลูกอย่าสร้างลูกขึ้นมาในใจเงาก็ไม่ปรากฏก็รักษาความรู้สึกตัวล้วนๆเงาก็ไม่ปรากฏก็เป็นประมัดดูฟังแล้วงงๆอยู่น ะ, <c oughs> ะคือในในคำสอนพระพุทธเจ้ามันมันมันต้องชัดเจนทุกขบวนพิสูจน์ได้นะถ้างนั้นไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่เป็นสว่ากาตธรรมนะเป็นการมั่วๆเอาไม่ได้ ต้องเห็นชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปเรื่อยๆบางทีสิ่งที่บอกที่เล่าเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์เรอาจจะเข้าใจยังไม่ได้อาจจะค่อยดูไปเรื่อยๆอย่างสมมติว่าเรานั่งเนี่ยความรู้สึกหนักเป็นอะไรหนักที่แช่งที่ขาเป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นน้ําความรู้สึกหนักเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นน้ําต้องเรียกว่ารูปน้ําเพราะความรู้สึกเป็นน้ําที่หนักมันเป็นรูป จะบอกว่านามีเดียวไม่ใช่แค่เนี่ยแค่ภาษาแค่เนี่ยยังเราเข้าใจนี่เข้าใจยากเวลาลุกขึ้นมันเบาเราความรู้สึกเบานี่เป็นอะไรนะไปลามรูปเลย <c oughs> <c oughs> ตรงประเด็นหนักกับเบามันต่างกันตรงไหนวัตถุ น, นี่ยบอกว่ามันหนักหนักเพราะอะไรนหนักก็คือเราไปยกมัน่ บอลก็คือเราไปวางมันให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้ดีๆเวันนั้นถ้าให้เจริญสติเพื่อให้เห็นรูปนามก่อนก็เห็นรูปก็นามที่เราไปรู้สึกกับมันแต่ถ้าเราไม่ไปจับมันมันก็จะมีแต่รูปไม่มีนามถ้ามีนามปัป๊บรูปนี้เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมถ้าเป็นรูปเฉยมันเคลื่อนไหวไม่ได้อันนี้เป็นรูปแต่มันเคลื่อนปัป๊บอันนี้เป็นรูปนามเพราะมันเคลื่อนไหวได้ เราจะเห็นว่าเข้าใจพื้นฐานนี้ไปก่อนเมื่อเข้าใจพื้นฐานนี้ต่อไปเข้าไปสู่น้ํามรูปถ้ารูปน้ําเนี่ยเราเห็นเราจับได้ในเคลื่อนไหวเพราะเราจับสัมผัสได้แต่ถ้านามรูปเคลื่อนไหวเนี่ยกับตัวนี้เคลื่อนไหวต่างกันไหมรูปนาเคลื่อนไหวกับรูปนารูปเคลื่อนไหวต่างกันไหมเห็นไหมเราเห็นด้านเดียวตอนนี้เห็นแต่ว่ารูปน้ําเคลื่อนไหวพอตอบได้แต่นามนามรูปเคลื่อนไหวเนี่ย เห็นยากน้ํารูปเคลื่อนไหวเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราคิดมันขึ้นมามันก็เคลื่อนเข้ามาสู่ใจใช่ไหมพอเราไม่คิดมันเพามันเคลื่อนออกจากใจไปเลยพอคิดถึงพ่อรูปพ่อปรากฏทันทีพอเลิคิดรูปพ่อก็หายไปทันทีมันค่อยเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกในอัตราที่ไวมากอันนี้คือความต่างเพราะฉะนั้นน้ํารูปจึงเป็นสมูทัยให้เกิดทุกข์เพราะความถีมัสูงเราตั้ไม่ทัน แต่นี่ความถีมันตา่าเหรอตามธานะวางไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรวนั้นไม่เคลื่อนไปไหนนี่เมื่อเราจับเพื่อนคนหนึ่งเคลื่อนแต่ไอ้รูปนามรูปในใจนะี่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเมื่อเกิดมีปัจจัยให้ดับมันก็ดับนะมันจึงเป็นสมุทัยนั้นตัวนํารูปเกิดเพราะอะไรอ่าเอางี้นํารูปเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะมีการกระทบ อพอมีา ala, harmony, าการกระทบปับ๊บมันก็นจต้องมีอะไรมีเสียงนะพอกระทบอวกทีนี้ก็เสียงหายอันนี้คือมีเสียงอันนี้กระทบด้วยความไม่รู้นะพอกระทบด้วยความรู้ ป, ปั๊บนามรู้ก็จะหายถ้ากระทบด้วยความไม่รู้มันจะแรงแต่ถ้าครบด้วยความรู้มันจะ ค่อยอถ้าคิดภาาสันต์นี่คือนารูปไม่ใช่ไม่ใช่นามรูปเราเป็นเป็นกิเลสเลยแหละสารต์สารตั <laughs> รต้งสารตั้งต้นมัคือนามรูปสารตั้งต้นมันคือนามรูปเราคิดต่อเ้วเป็นอวิชชาตันวทาประธานเลยแหละแล้วถสมมติว่าคิดรูปแล้วมันมีสติมันหยุดทังระดับตรงนี้มันมันอยู่ตรนอาาจักรมั น, ม น, น, น, นกล า, ายมาเป็นนามเฉยๆรูปหายไป พอาะมันมันมันสานต่อไม่ได้เพราะรูปมันหายไปก็เด็ดเด็ตัวรู้อันนั้นเป็นสติอ่าสติตรงที่มันรู้รู้แล้วรูปหายในสติเกิดแล้วแต่ถ้ารู้แล้วยังรูปมันหายแสดงว่าสติไม่พอเออรูปมันใหญ่กว่าเข้าใจนะเอเพราะฉะนั้นอยากจะทูกข์ก็คิดดยบ่อยก็แล้วกัน <c oughs> คิดแล้วเดี๋ยวได้ทุกแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องถ้ากําลังของตัวรู้ของเราไม่เข้มแข็งพอถึงเราไม่อยากคิดมันก็ต้องคิดเพรอมเป็นกฎของมันแต่ถ้าสติความรู้สึก ส, สติสัมยาพัญยาเราเข้มแข็งชัดเจนพอเนี่ยแล้วอยากจะทุกมันก็ทุกไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันไม่ให้ไม่ให้ทุกเอาเปิดไฟสว่างแล้วอยากจะมืดมันก็มืดไม่ได้ เพราะมีไม่เหตุปัจจัยที่ให้มืดแต่พอปิดไฟแล้วไม่อยากจะไม่อยากจะมืดมันก็ต้องมืดเพราะมีเหตุปัจจัยต้องให้มืดอันเดียวกันนะถ้ามันมีสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งเราอยากจะทุกข์มันก็ไม่ได้ทุกข์ละแต่ถ้าสติปัญญาสมาธิสติสมาธิปัญญามันอ่อนลงเราอยากจะไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องทุกข์เพระาะเหตุปัจจัยมันให้เป็นเข้าใจนะแล้วคนอื่นมีอะไรที่ถามแต่จบละ วันนี้ไดนดวงตาเห็นทากันส่วนใหญ่แลย น, นะมีจูะมีจูเหนียวคนเดียวยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจยี่งสาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนต่อไปเพื่อปเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้ดวงต า, าสว่างสวัย <c oughs> เห็นมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ